หลังทำวันเราจะได้ฟังเทศฟังทำเงินต่อเวลาหลวงพ่อท่านอยู่ท่านก็แสดงออกตอนหลังท่านจะใชว่าขอมีส่วนร่วมขอมีส่วนร่วม จริงๆพวกเรามาอยู่ว่าด้วยบารมีของท่านนั่นแหละ้างวัดร้างวามา้เราก็เจอว่าสถานที่นี้อยู่แล้วเรามีการพัฒนาจิตได้แน่นอนหลวงพ่อท่านจะพูดว่าที่เนี่ยชื่อดังเหมือนช้างตัวใหญ่นะเหมือนช้างแต่ว่าประมาณจริงๆตัวเท่ากับมด ตัวคำโฆษณาล่ะทันใจกับเนี้ยบ่อยจริงๆเป็นคำโฆษณา้ะส่วนใหญ่พว่าจริงๆแล้วอย่างที่เราเห็นกันนะได้สัมผัสกันนะก็คืออยู่กันบางคนก็ตั้งใจใส่ใจบางคนก็ไม่ได้ตั้งใจใส่ใจก็ไม่เป็นไรหลวงพ่อ <c oughs> บอกว่า <c oughs> เป็นเรื่องของกิเลสใครกิเลสมันนะให้สแสดงกันให้เต็มที่ เป็นอย่างนั้นตอที่มาอยู่เข้าปีที่สิบสี่ปีนี้ก็ไม่ได้ไปไหนเลยก็เลยเห็นอะไรหลายๆอย่างที่ว่าอะไรเห็นอะไรหลาย ๆ, ๆอย่างก็คือคนเข้ามาส่วนหนึ่งก็เป็นผู้ที่เคยปฏิบัติมาก่อนตั้งใจใส่ใจบางทีก็ กิดปฏิบัติไปแล้วหลายที่หลายสำนักหลายรูปแบบหลายวิธีการ mm hmm. พมารับรู้เรียนรู้บางคนก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจ mm hmm. ที่เข้าใจก็คือพูดอันเดียวกัน mm hmm. ที่ว่าพูดอันเดียวกันก็คือมันเป็นการปฏิบัติทำ mm hmm. อารมณ์ปฏิบัติมันก็เหมือนๆกันเช่ mm hmm. นอารมณ์มันสำนึกบาปนะ มันจำเนกบาปเคยทุกเคยทำผิดทำพลาทางกายวาจาใจเราทำกับคนอื่นคนอื่นทำกับเรามันได้แสดงออกมาปมได้อปมเครื่องต่างๆอะไรได้เป็นปกปิดต้นเล่นเป็นปมด้อยส่วนตัวเราก็ได้เห็นตัวเราชัดที่สุดจะรู้สึกก็มไม่รู้สึกด้วยมันก็จะไป ตามความคิดตา ม, ตามการปรุงกลิตนิสัยต่างๆแล้วก็บางทีมันก็ระลึกบุญมันตีกลับทันทีมันมีคุณค่าแท้คุณค่าเทียมอยู่ในนี้จริงๆพอเราไม่ได้ทำดีขึ้นมากับพ่อขับแม่มันก็สำนึกขึ้นมามันก็ระลึกว่าจะทำอะไรให้ได้ต้องการให้มาปฏิบัติต้องการ เอาสื่อนักสือหรือว่าเอาแผ่นซีดีหรือว่าเทปสมัยเก่ามีเทปอะนะฟังเทศ ด, ดีๆก็โอ้อยาให้ฟังเจออะไรดีๆได้ท่องไปตามจังหวัดต่างๆได้เห็นอะไรเป็นของฝาของฝันไม่เคยเห็นไม่เคยพบมาตราฐานก็ปรมับับนเก่ามันก็นึกถึงเออถุงตาแม่ใส่ของจะสวย ก็อยากทําดีอาหารอร่อยอร่อยก็อยากซื้อไปให้แล้วกับสัตว์าราสิงต้นไม้ใบหญ้าหรือไม่กระทันการใช้รถกัเหมือนกันใช้รถมาเห็นนี่รถเนี่ทําไมพระกรรมฐานหลวงพ่อท่านเช็ดทุกวันหลังใช้งานเราไปนึกถึงตัวเาเราใช้ทิ้งใช้กวา้างใช้สามปีพังไปเลยเป็นกันคันไปเลยสามปีพังสาปีพัง มันก็นึกถึงไอ้รถคันเก่าๆละนึกถึงเหมือนกัน เ, เราใช้แบบเนลกุลจริงๆเลย <c oughs> ไอ้นี่ก็คืออารมณ์ระลึกบุญงนั้นนะอย่าคิดดีพูดดีทำดีต่างๆมันก็ปรากฏขึ้นมาเป็นรูปรอยขอยงความคิดหมดเลยเราเริ่มเห็นแล้วอ๋อสิ่งเหล่านี้มันเป็นตัวผลักตัวผลักให้จิตใจของเราสุขเราทุกข์แล้วก็ แสดงออกทางพฤติกรรมทางกายว่าจใจทั้งวันพฤติกรรมก็กลายเป็นกรรมดีกรรมชัว่วบางทีก็พูดดีพูดชัว่วบางทีก็พูดเสียงแข็งเพราะข้างในมันกลัวมันก็รู้อยู่แต่เป็นกูเก่งข้างในมันกลัวสุดๆขี้ขาดตาขาวก็ไม่ได้เห็นเอ๊มมันได้เห็นว่างทีอ๋อพอเป็นตัวปัญญามักลายเป็นความอ่อนโยนกานความนุ่มนวล ผู้ดีๆก็ได้ผู้ธรรมดาธรดาก็ได้อ๋อนีพ่พฤติกรรมต่างวาจาวจีกรรมแสดงออกไปไอ้ตรงนี้แหละที่เรียกว่าผ่านมาในข้มคนมีศีลก็ได้หรือคนมีศีลมันกรรมคนพ่านก็ได้หรือคนก็ธรมธรมดาๆใช้ชีวิตนะหรือเราธรมาธรมดาๆเราใช้ชีวิตเป็นแลน้วนะวจลิตนิสัยแสดงออกธรรมดาๆบริสุทธิ์อะไรหมายถึงว่ามันผิดมันถูก มันก็แสดงออกมาขนาปฏิบัติเราได้เห็นแล้วโอ้มันจะรู้สึกมันจะไปดีมันจะรู้สึกก็ไปชั่วยมันทีมันเบื่อก็จะพาไปทําอะไรที่มันเบื่อเบื่อเกิดจากอารมณ์ปฏิบัติกวนขึ้นมามันทีมันก็ขยันจะไปพัฒนาพาไปทําอะไรที่ขยันขยันเป็นบุญเป็นบาปล้ะช่วทําดีจําระจิตเี้บางทีก็รู้สึกได้เรื่อยๆขยันไม่ได้เรื่อยๆไดอารมณ์ปฏิบัติ เป็นตัวจำนวนจิตที่มัรู้สึกรู้สึกมันก็รู้สึกทําได้เรื่อยๆไม่ใช่สุกไม่ใช่ทุกอยู่ไปขณะเดียวขนาดเดียวกับการเคลื่อนการขยับรู้สึกการเคลื่อนการไหวแต่ละขณะแต่ละจังหวะรู้สึกก็ไม่ได้ปรุงไม่ได้แต่งไม่ได้คิดอะไรโล่งๆว่างๆธรรมดาธรรมชาติกับการเคลื่อนก็จะเห็นความรู้สึกที่มันกําลังปรากฏจริงๆนะ คณะต่อคณะคณะต่อคณะอันนี้ก็เป็นอารมณ์ที่เรียกว่าอารมณ์ปฏิบัติส่นอารมณ์ที่มันกวนขึ้นมาอันนี้ก็ใช่ด้วยก็คืออารมณ์ปฏิบัติแต่ว่ามันจะปฏิบัติกรรมหรือปฏิบัติธรร ม, รมอยู่เนี่ยกำรรก็ว่าใหญ่เคยทําผิดทำพลาดวิบากส่งผลนี่ก็ว่าใหญ่เป็นความทุกข์ความขัดแย้งความลําบากอึดอัดขัดใจก็ว่าใหญ่แล้วว่า พอมันเจอความเป็นปกติเจอธรรมธรรมใหญ่กว่าธรรมถูกต้องกว่าเป็นความถูกต้องของชีวิต ท, ที่เราเลือกจริงเลือกปฏิบัติก็เจอลมปฏิบัติตรงนี้แลมะะ้มันจะสะดุดนมันจะดุดกึกเลยมันมีร่องหนึงเนี่ยเมื่อก่อนเคยถล่าลตกไปในร่องของเจลิตนิสัยเคยคิดอย่างไรเมื่อคิดอย่างนั้นนะเรียก ว, ว่าบกพร่เหมือนภลายเรือในอ่าง หรือว่าครูบาอาจารย์บางท่านท่านเปรียบเทียบเหมือนว่ามดแดงไต่ขอบกระดง้งพอเสพจึงติดพระติดจึงอยากว่าอยากจึงเสพพระเสพจึงติดพระติดจึงอยากบนเป็นวัตตะเป็นวัตตะไพรวัตตะสงสารเป็นสังสารวัฏพอภูมิเกิดดับนับไม่ถ้วนเชื่อมโยงต่อเนื่องกันพอเรามาเคลื่อนมือสัมผัสสัมพันธ์เชื่อมโยงต่อเนื่องเราก็ได้เห็น่ จุดนี้พิ่งได้จริงๆความเป็นปกตินีตัวนี้เราทําไปทําไปตัวนี้เรียกว่าศีลศีลปรากฏมันทั้งหนักแน่นมันทั้งนุ่มนวลทั้งอ่อนโยนทั้งงดงามก็เลยมีการเปรียบเทียบว่าศีลมาจากคำ ว, ว่าศิาลิศีลมาจากคําว่าศิลาศิลิคือสวยงามศิลาคือก้อนหินหนักแน่นเย็นจิตใจที่ไม่โลเลที่มันหนักแน่นอยู่กับความรู้สึก อยู่กับกรรฐานนี่เรากำลังฝึกกันหัดแล้วจนเป็นธรรมชาตินะนก็เป็นคําตอบสำหรับนักปฏิบัติมันจะทําให้เราได้เหมือนกับว่ารื่นเริงอ่ะมารู้สึกตัวจิตใจก็ปลาโมดรื่นเริงขึ้ น, นมารู้สึกตัวเกิดศรัทธาขึ้นไหมมีความเชื่ออย่างนี้เพรมได้สัมผัสอย่างนี้นเราได้เห็นอารมณ์ปฏิบัติถึงใตการบันไดขึ้นไหจากการรู้กายมรู้จักเวทนานะ รู้สึกที่กายเห็นกายสภาวะกายได้ขณะต่อขณะเวทนาสภาวาะเทเวทนาได้อาการที่มันเกิดจากาการปฏิบัติขึ้นมาจากการเดินนานๆจากจากการนั่งนานๆจากการที่ได้เวลาแล้วที่จะต้องเกี่ยวข้องผ่อนคายบรรเทาแก้ไขหรือว่าเรียกว่ายืดจุ่นกับการปฏิบัติในรูปแบบเราได้เห็นบว่ามันคือเทคนิค อย่นในการที่เราจะปิบัติได้ทั้งวันกับการนั่งการเดินการยืยนการนอนการทําอะไรก็ตามในรูปแบบเดยจะเป็นนอกรูปแบบก็คือในรูปแบบอยู่เดียก็คือฐานกายการกลับมาดูกายเห็นกายเป็นความรู้สึกรู้ตัวรูเนื้อทั้งรู้สึกทั้งรู้ตัวทั้งรู้เนื้อรู้การปรุงต่างๆเรี่ารู้ธาตุก็ได้การปรุงแต่งของร่างกายที่มีประชุมร่วมกันแต่พอดี ถทำไมพอดีมันก็กลายเป็นอาการเจ็บไข้ได้ป่วยไปสบายนะนะมันก็จะมีการสังเกตกันละตรงนี้นะตัวสังเกตหลังจากที่เราตั้งใจใส่ใจแล้วเรามีการสังเกตทายส่วนจะสะแสดงออกทางการปรับอินทรีนะนะทุก ต, ตัวที่มันเกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติมันไม่เคยเชื่อมกร เ, เ, เ, เชื่อขึ้นมาเงนะกาปรับอินรีย์ตัวศรัทธาหรอตัว ปัญญาที่เราเคยมีความเชื่อแบบโง่หลงงมงายทำโดยไม่ได้สังเกตก็กลายเป็นตัวสังเกตขึ้นมากลายเป็นตัวปัญญาขึ้นมาสังเกตแล้วมันก็ได้ข้อสรุปแต่ว่ามันได้ข้อสรุปโดยที่เราไม่ต้องสรุปมันเห็นจนรอบครอบมันเห็นจนครบมันถึงได้ข้อสรุปมืนดูทางทั้งตัวค่อยมาสรุปถ้าด่วนสรุปมันก็กลายเป็นเรื่องกองทิฐิมิจฉาทิฐิก็แล้ว ยึดเอารูปแบบบ้างยึดเอาวิธีการบ้างยึดเอาความคิดเห็นคาดคะเนี้ยคำนวณบ้างมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของการเสียเวันลำเวลาในการปฏิบัติก็คือบางทีเกิดการขัดอกขัดใจงดหงิดเกิดการเพ่งโทษก็ได้นะจากเรามีการกระทำคนอื่นไม่ได้ทําหรือว่าเราไม่ได้ทําแต่คนอื่นทําเราเห็น แล้วก็มีความขัดแย้งอยู่ข้างในได้เราเดินอยู่ก็ไม่เดินเรานั่งอยู่ก็ไม่นั่งเราปฏิบัติอยู่ก็ไม่ปฏิบัติวัดป่าสุโตก็เลยเป็นเรื่องของให้ทุกคนได้ต่างคนต่างอยู่กันเต็มที่แต่ว่าถ้ามีโอกาสปฏิบัติกันได้ก็ลงฐานปฏิบัตินเดินจงกรมที่กดก็ได้เดินจงกรมที่ไต้ถุนสลาก็ได้นั่งปฏิบัติที่กดฏิก็ได้นั่งปฏิบัติที่สลานี้ก็ได้เรัวตรงไหนตรงไหนก็ได้ ก็ให้ปฏิบัตินะกลับมาหาความรู้เนื้อรู้ตัวเรียกว่าปฏิบัตนะิถ้ามีการปฏิบัติแล้วก็ที่ไหนที่ไหนมันก็เหมือนกันไม่ต้องว่าในวัดก็ได้นอกวัดก็ได้นะจะอยู่ตรงไหนก็ได้อยู่บ้านก็ได้นะมันก็เป็นตัวปฏิบัตินะแล้วเท็มกันก็คือเวลามันรู้จริงๆเลยนะมันรู้สึกตัวจริงๆนะอย่างเช่นว่าตอนที่มันรู้จนกระทั่งมันสังเกตได้ถึงอารมณ์รูปนามเนี่ยนะมันสังเกตได้อะ มันก็จะชื่นใจนีม่มันเป็นการชื่นใจเกิดขึ้นมามีพลังนะตรงนี้มันเป็นการปีติมีความสงบแล้วก็หลงอารมณ์ตรงนี้ละที่มันจะเกิดอารมณ์วิปัสสนูน้อยหรือว่ามากๆแล้วแต่การสังเกตก็เรียกว่าดลินีดลุนีของวิปัสนาญาณหรือเรียกว่ารุ่งอรุณของวิปัสนาญาณตรงนี้ ก็คือก่อนที่มันจะสว่างสวัยเห็นแจ้งมันก็จะเห็นแบบคลุมเครือก่อนเี่ยไหลุงอรุณน่มันจะสว่างก็ไม่สว่างจะมืดก็มไม่มืดเนี่ยสลัวสลัวมันเห็นไม่ไมชัดอารมณ์วิปัสสน์ก็คืออาการที่รู้สึกตัวไม่ชัดนคือมันระหว่างเครึ่งรู้ครึ่องหลงระหว่างความคิดรู้คิดเห็นซึ่งปกิเลต์นะมันก็จะชวนให้เราได้หลง ตัวนี้ควารู้สึกตัวต้องทํามางๆอารมณ์ใหม่ๆระหว่างลอยต่อระหว่างอารมณ์รูปนามที่ไปเข้าสู่พิปัสนาญาต้องเป็นการเดินตรงกลมให้มากแล้วก็ทําให้ไวต้องยกมือให้มากแล้วก็สัมผัสให้ไวรู้สึกรู้สึกรู้สึกตรงนี้มันมันเป็นอารมณ์จริงๆส่วนตัวใช้คําว่าอือารมณ์สํารอถูกหวยอารมณ์สํารอถูกหวยตรงนี้ แต่ว่าครูบาอาจารย์ท่านเรียกอะไรก็ไม่รู้นะตัวสังเกตนะเออเวลาเราไม่เคยมีตังค์ไม่เคยหาเงินได้ลองมีตังค์แล้วก็หาเงินได้ใหม่ๆมันใช้แหลกมันมีทลายมันใช้หมดประเภทเศรษฐีใหม่ๆกําลังเริ่มเห็นเงินเห็นทองประเภทเนี้ส่วนใหญ่มันกู้หนี้ยืมสินนะคือมันคิดใหญ่เกินตัวอารมณ์วิปัสสน์ไปแล้วนั่นเนีะอารมณ์หายเหยื่ออารมณ์ไล่เหยื่อ อารมณ์ที่มันใหญ่เกินตัวอารมณ์ธรรมาฐานถูกลืมไปตัวนี้จนใหญ่จะเกิดการออกตามสายงานเรือ่องบางทีก็เหมือนกับตั้งสํานักเลยก็ว่าได้ตั้งสํานักกันเลยเห็นส่วนตัวก็เลยมีความสุขว่ายัางไงยังไงก็ขอใจอยู่กับสถานที่ตรงนี้ให้มากที่สุดก็คือเป็นอนาคของถ้าได้ประโยชน์จากที่จะทําประโยชน์จากที่นี้ให้มากที่สุดนะคิดอย่างนั้น อะไรที่เป็นประโยชน์ที่นี่จะทําที่นี่ถ้าที่อื่นเนี่ยไม่ได้ยากนะส่วนใหญ่คนก็จะพอเห็นว่าแหมพระรูปนี้เอาดีได้จะตรงนั่นตรงนี้ตรงนนเราก็ได้เห็นตัวอย่างจากครูบาอาจารย์สังเกตเอาท่านเป็นครูนะบางทีท่านก็ตั้งสํานักหลายสํานักแต่ท่านก็ไม่ได้ดูแลก็เห็นอยู่ที่จังหวัดระยองท่านก็มีสํานักอยู่หลายสํานักอยู่อย่างนี้ยเราก็เคารพท่านเป็นครูบาอาจารย์ น, น, นั่นก็คือลมิปัสโนนั่นแหละลหรือว่แม้กระทั่งการพูดขนาดเนี้ยก็คือลมิปัสโนการพูดทำมาเนี่คือลมิปัสโนมาใถึงอะไรลมิปัสโนก็คือพูดในสิ่งที่มผ่านไปแล้วถ้าลมวิปัสนาคือปัจจุบันขนาดขนาดนี้ขณะ น, นี้ขนาดนี้ได้ยินเสียงฝนเนี่ยหมอกแบมหมอกแแม่น้ําข้างหลนนะนี่ยคือวิปัสนาอารมณ์อยู่กับปัจจุบันแต่ว่ามันใช้เรื่อะของคําพูดที่เป็นสมมติจัจเจ เป็นสมมุติได้ยินหนอเห็นหนอมันมีอาการสัมผัสไปแล้วปรมาถาสภาวะมันจบไปแล้วแต่ว่าสมมุติบัญญัติมันเพิ่งเกิดขึ้นมาเห็นหนอเราก็เห็นผ่านไปแล้วพลิกมือเนะยสัมผัสหนอไว้หนอริงหนอนิ่งหนอองนะั้นะมันเกิดไปแล้วความจริงมันปรากฏจนดับไปแล้วแต่ความคิดเพิ่งมาอันนี้ในเหล่าวิสัยคือแสงมันไวกว่าเสียงน แสงเนี่ยตามหลวิทยาสตรบอกว่ามันไวขนาดสามคูณสิบยกกลังแปดหรือว่าสามสาแสนกิโลเมตรต่อวินาทีนะหรือว่าอืมเท่าไหร่หนึ่งสแปดหม่กพันไมล์ต่อวินาทีมันเป็นการเรียนทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมีการออกสอบกันเรียกว่าทุกคนได้เรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยจะต้องรู้เรื่องนีออกสอบทุกเทอม ทุกเทอมที่เรียนนะนะหมายถึงว่าทุกคนที่ได้เรียนเทอมไหนได้เรียนก็ออกสอบเทอมนั้นในเรื่องเนะี้เรื่องที่มีการสอบอีกครั้งหนึ่งลองภูมิกันอีกครั้งหนึ่งประเพณ์มวลรวมลหลังจากที่เราเรียนมาหลายชั้นบางทีออกสองครั้งเลยก็คือมีความสําคัญนะว่าแสงมันไวต่อเสียงแต่ว่าเสียงนี่มันเป็นเดซิเบลกระทบที่หูของเรา มันมีความช้ากว่าเหมือนกับฟ้าแลบแล้วค่อยมาล่องคลื่นตามมาไงนะเราก็สัมผัสได้เออมันก็จริงมันแบบแล้วค่อยเปลี่ยนอีกเพลงฟ้าล้องฟ้าผ่าเหมือนกับคนตอกหลักวายเหมือนกันเคยเคยสังเกตจุดนี้เยอะหลังจากที่เรียนวิทยาศาสตร์แล้วครูบอกว่าให้สังเกตนะว่าเออแสงเนี่ยมันใบว่าเสียงก็เคยสังเกตเหมือนกันอา้าวภาพที่เราเห็นนะ่ยคนตอกหลักวายอยู่ แต่เสียงเพิ่งวิ่งก็มกับนะตอกลงไปพอย ก, กนะเสียงดังเปังตอกลงไปพอยกเสียงดังปังเนีเราสังเกตโอ้จริงๆให้มันพิสูจน์ได้ยเี้การสังเกตนะก็เหมือนกับเรามาปฏิบัติธรรมแล้วก็สังเกตเหมือนกันอ๋อบางทีนะภาพนี่ยโผล่มาก่อนใครนะใครหน้าใครนะหน้าใครนะหน้าหน้าโผล่มาแต่ว่าชื่อมันมาทีหลัง เราก็ต้องสังเกตกันะความรู้เนื้อรู้ตัวนมันไม่มีความบริกรรมจริงๆแต่รู้แล้วก็หายไปแตะรู้แล้วก็หายไปะเพราะฉะนั้นความคิดที่เกิดขึ้นมาก็คือสมมุติไอตัวที่เราสัมผัสไปแล้วคือปละมัิที่มันจบไปแล้วแล้วเรารู้แล้วมันก็สักทวาไปแล้วมันก็จบไปแล้วมันก็วางไปแล้วะเพราะนั้นการเคลื่อนนีต้องเป็นจังหวะจริงๆอย่างอาดามาเมื่อวานหันหน้าไปทางอาจารย์ที่อยู่ด้านหลังท่านก็ยกเป็นจังหวะนะ ท่านยกเนี้ยยี่สิบปัวรรษาท่านยกเป็นจังหวะเลยแสดงว่าเก็บรายละเอียดหนึ่งจังหวะเลยแล้วก็สังเกตอย่างความเขียนนี่ยท่านบอกว่าพระเจ้าท่านสอนกายยานวัฏนาฏิปฐานสติปฐานสี่เวลาท่านสอนท่านไม่ได้อ้างว่าตัวท่านสอนนะท่านจะอ้าว่าพระเจ้าสอนท่านเชื่อเลยว่าพระเจ้าเนี่ยทอย่างเงี้ยบรรลุธรรมที่สี่จังหวะเคลื่อนไหวนะ นังคูมือเข้าเหยียดแขนออกเหยียดแขนเข้าเดินจงกรมท่านเชื่ออย่างนั้นจริงๆเราท่านก็อ้างว่าหลวงพ่อเทียนให้ทำทิพี่จังหวะเคลื่อนอย่างนี้เลยทิี่จังหวเป็นจังหวะเป็นจังหวะเป็นจังหวัดหลวงพ่อเทียนสอนอย่างี้ส่วนท่านนี่ตอนหลังนี่ท่านทำอย่างนี้ละอย่างนี้จังหวะของท่านส่วนตัวส่วนตัวอย่างี้ ท่านก็ใช้ลักษณะของการปฏิบัติในเรื่อง4ี่สิบฝปัญษาท่านก็ใช้การเคลื่อนไหวรู้สึกที่ท่านทำแล้วท่านจะรู้สึกได้อันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าอ๋อของเรามันก็เป็นอย่างนี้จังหวะอย่างนี้มันชัดอันนี้มันก็คือลักษณะของเทคนิคปฏิบัติที่เราสังเกตแล้วว่าเราทำแล้วมันรู้สึกตัวดีมันเกิดพันาการในการปฏิบัติขึ้นมา แล้วที่สำกันก็คือตัดคำประกรรมทิ้งแน่นอนเพราะว่นั่นคือความคิดเจตนายคิดนะยุบหนอพองหนอสามมาระหังแต่เขาก็ไม่ผิดอะไรไม่ผิดอะไรเพราะว่ามันเอาจิตไปกดจิตนมันเอาสมาธิไปกดจิตมันเอาความคิดไปกดความคิดเพราะทําไม่ใช้ความคิดกดความคิดเอความคิดเก่าๆบางคนเนี่ยมันทุกแรงบางคนมันมีจริตนิสัยคิดมากเนี่ย มันก็เลยเอาความคิดที่ไม่ทุกเนะี่ยไปกดไว้ก่อนความคิดที่ไม่สุขไม่ทุกเนะี่ยคือหนึ่งสองสามหรือว่าซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาลว่ า, ว า, วาติงนิ่งติงนิ่งลวดตายตายตา ย, ตา ย, ตายอะไรแบบนะี้มันเป็นความคิดทิมไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกแต่วันก็คือความคิดเทคนิกลงอุเียนเลยบอกให้ออกมาจากความคิดเหล่านี้ชั้นก็คือแค่สัมผัสรู้แต่รู้เท่านั้น อันนี้เราต้องสังเกตจริงๆนะเพราะฉะนั้นจึงอธิบายว่าคําพูดขนาดนี้ก็คืออารมณ์วิปัสสนา น, นั่นเองแต่ว่ามันเป็นอารมณ์ที่เย็นแล้วมันเย็นแล้วมันเป็นวิปัสสนที่เราใช้สติเราหยิบเอาสมมติจักรมาใชนะ้อันนี้เรียก ว, ว่าทําดนะีเรียก ว, ว่าทําบุญกะะ็ไนดะนะ้อันนี้ก็จําเป็นนะที่จะต้องเรียก ว, ว่าใช้เนะจนกระทางมันไม่ใช่ผิดไม่ใช่ถูกนะ เป็นคำพูดธรมดธรมดาๆไม่ได้เป็นก ร, รมอะไรเป็นธรรมเทศนาธรรมไม่ใช่เทศนากรรมเมื่อเราฟังคนพูดเนี่ยนะเราวางจิตวางใจดีๆมันก็จะธรรมะทั้งหมดนะส่วนคนพูดจะเป็นเว น, เ ป, นเป็นกรรมนําเลือกคนพูดอันนี้นอีกเรื่องได้เห็นจริงๆว่าอารมณ์อย่างเนี้ยมันคืออารมณ์วิปัสสนูแต่ถ้าวิปัสสนูร้อนก็สังเกตยิ่งพูดไปคนพูดก็ยิงร้อนนะบางทีก็ ประคองอารมณ์ไม่ได้เริ่มตน้นกระเดียแต่พูดไปพูดไปพูดไปมันก็รุดไปเลยอันนี้หมายให้ถึงว่าเรากลับมาหาความรู้สึกตัวไม่ได้มันหลงก็ไปในความคิดตัวนี้ก็เลยพูดว่าเวลาปฏิบัตินะอย่าหาเรื่องมาพูดนะอย่าหาเรื่องมาพูดให้พูดในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างนีน้อารมณ์ปฏิบัติจริงๆนะถ้าพูดกับพูดในสิ่งที่เห็นจริงๆเแต่มันยังคือสมมติอยู่นะคือสมมติสัจใจอยู่ ถ้าเป็นปรมาจิตจริงๆก็คือไม่มีภาษานั่นเป็นภาษาธรรมจริงๆไม่ใช่ภาษาคนนะมันจึงเป็นเรื่องของต่างคน ต, ง ต, งต่างต้องรู้สึกตัวกันเอาเองนนะหลังจากนั้นเราก็ได้เห็นว่าเอออารมณ์มันก็เปลี่ยนไปหลังจากที่มันรู้ซ้ําทําซ้ําทำซ้ําทำซ้ำแล้วก็ความคิดเกิดขึ้นมาเท่าไหร่ไม่ทําไปสนใจใส่ใจมันมันอยากพูดก็ไม่ต้องพูดมันอยากสอนก็ไม่ต้องสอนนะมันมีอยู่ก็จึงเป็นเรื่องที่ว่าสังเกตได้ว่านะ 1. ก็คือนิมนต์สมีการมอบชั้นทะนะอย่างที่นี่เราก็เขียนงกรไว้ว่าเออครูบาอาจารย์ที่จะบอกได้ชี้ได้สอนได้ทันชี้ไนะอาจารย์สงสินปออาจารย์ว่าชัยอาจารย์ตุ่มหบอกได้ชี้ได้สอนได้สี้วเเท่าไหร่ละอาจารย์สงินสองอาจารย์าชัยเอออาจารย์ตุ่ม4อาจารย์โน้ าอาจารย์สมใจผมและธรรมาก็เลยพยายามที่จะพูดร่องรอยนี้ส่วนหลวงประกอบนี่ยกเอาไว้รู้ๆกันอยู่พูดได้สอนได้ว่าท่านเป็นครูอาจารย์ในสายงานอย่างเนี้ยนหรือว่าพระใหม่ๆก็พยายามฝึกคัดกันขึ้นมาพระใหม่ๆอย่างเช่นใครปฏิบัติมากๆกันเน้นว่าน่าจะเป็นครูอาจารย์ได้ในอนาคตเพราะเราเห็นอยู่การปฏิบัติท่านเดินนิ่งๆนิ่มๆเยู่ เราก็แอบดูแอบรู้แอบเห็นอย่างเงี้ยท่านก็ตั้งใจใสใจ่ใจการปฏิบัติแล้วลองเช็คดูว่าอารมณ์ปฏิบัติท่านเดินถึงไหนคนเราถ้าได้พูดเราจะรู้กันแต่เห็นกันอยู่ก็ไม่รู้นะไม่รู้เพราะบางทีมันเดินได้ตลอดนะถ้าว่าเดินไปคิดไปเดินอยู่กับความคิดถ้าครูบาอาจารย์ท่านเคยผ่านประสบการณ์นี้ท่านก็จะอ่านออกใช่ว่าเนี้ยเดินไปคิดไปตอนนี้ท่านก็จะ เดินเข้าไปในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์หรือว่าสังเกตแล้วว่าแกลมอมใงไม่ได้จริงๆให้ช่วยตัวเองแล้วมันช่วยไม่ได้จริงๆหรือว่าคนนี้เข้าไปลานตรายเพราะว่าจิตด้านจิตมันดื้อจิตมันประยศอะไรเงี้ยกลัวอาจารย์แมวยังไม่บอกยังไม่สอนให้ถึงเวลาก่อนรับพูดคำเดียวแล้วฟังก็รู้เรื่องแล้วท่านค่อยว่าทีเดียวเลยพิกเลย ทับภาษาครูอาจารย์ท่านเรียกว่าเตะฟุตบอลเข้าประตูเลยเตะทีเดียวเลยเข้าประตูไปเลยถ้าเตะยังไม่เข้ายังไม่เตะประเภทนี้ยังไม่ได้แต้มนะเราก็จึงระมัดระวังกันโดยการที่ว่าหนึ่งอยู่ในกรอบของกรรมาฐานสองครูอาจารย์ให้ปรวนากันไว้นะว่าท่านเนี้ยเราเชื่อใจไว้ใจหรือว่าเดินเข้าหาท่านมีปัญหากันมาแล้วเี้ย แต่ว่าที่นี่นะเป็นพระสององค์เจ้าญาติเดียวนะั้นนะไปหาโลกตกลมนะชี้ให้เลยอยู่ในทำเลดีทำเ ล, ท, ำเลที่ปฏิบัติคนเดินไปเดินมาได้เลยหรือจะทําบุญทําทานนะผ่านมาแวะได้เลยตรงนี้นะเป็นทางที่ดีนะโล ต, ตกลมแล้วก็ครูบาอาจารย์ต่างๆท่านก็นยอมรับนะนะส่วนท่านจะทําถึงในแะรของท่านนั้นรู้ตัวท่านดีนะนะทุกคนจะรู้ตัวเองดี ทำแก่ไหนได้ถึงไหนต่อมาก็คือหลังจากที่เราปฏิบัติแล้วให้สังเกตว่าพระเจ้าเนี่ยบัติอยู่6ปี6ปีค้นหาไว้ให้ส่วนเราไม่ได้มาคิดค้นอะไรนะศึกษาจากตำราได้ถือว่าน่าเชื่อถือเดี๋ยวเพราะพระสูตรเล่มที่14ของไอ้มหามงกุฎเนี่ยเป็นเรื่องของการเจรติปฐนเป็นการเจริญฐานเรียกว่าเอกามัคคุิสุทธิยานะ ผลทางเอกไปสู่ความบริสุทธิ์เป็นมักเป็นผลเป็นมักเป็นผลนะท่านพูดไ้เลยปฏิบัติเนี่ยอย่างช้าสุด7ปีช้าสุดนกลางๆคือเจเดือนเร็วสุดคือ7วันเนี่ยท่านพูดไปงี้หลวงปู่เทีย น, นพูดไว้ชัดแล้วก็ทำเร็วอันนี้พูดไว้ชัดหมายถึงว่าทำสามปีนะรู้เลยเรื่องราวทั้งหมดในวาสนารู้อย่างน้อยอนาคามีท่านพูดไ้ชัด เราพูดแบบรับประกันพูดแบบการันตีไว้เลยถ้าเราทําเกินกว่านี้แล้วไม่รู้ก็แสดงว่าผิดทางอ่ะอันนี้ให้เข้าหาครูบาอาจารย์เข้าไว้ไปที่ไหนก็ได้ที่เราให้ความเคารพนับถือแล้วก็เห็นว่าน่าเชื่อถือก็เราเราก็เลยเห็นว่าคนมาแล้วก็ผ่านไปคนมาแล้วก็ผ่านไปนะมนคือปรกากฏการณ์พวกนี้ทั้งหมดก็คือทําแล้วไม่รู้หรือว่าทําแล้วก็หลงเพราะว่าที่นี่ อารมณ์ปฏิบัติเราปล่อยให้ทํากันเองอย่างเช่นครูบาอาจารย์ในสายงานก็เหมือนกันก็ตั้งข้อสังเกตเวลามาเปิดทำที่นั่นนะท่านตั้งใจจะอยู่แต่ว่าท่านอยู่ไม่ได้เพราที่นี่เรียกว่าโหลอยู่แบบโหลโหรเลยไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่มีวิ น, นัยเราได้เห็นเลยอมันจึงเป็นการสอนที่เหนือชั้นมากนะครับหลวงพ่อครูบาอาจารย์ที่นั่นสอนให้เราได้เห็นสมมติจริงๆแล้วก็อยู่ได้เหนือสมมติจริงๆนะก็จึงบอกว่าไม่มีวันเปิดสี่สิบวันแล้วมีวันปิดนียก็ด้วยเหตุนี้นะ หลวงพ่อเขียนั้นบอกไว้าชา้ด้วยไม่ต้องมีการตีคองไม่ต้องมีการตีละครังต้องเงินคอยบอกกันกี่โมงแล้วต้องมากินข้าวให้รู้เอาเองตื่นเอาเองอย่างนี้นะตั้งกฎจีเไว้สถานที่นีน้เราป้องกันกันเต็มที่ให้รู้ชัดๆเลยความคิดทุกความคิดนม่เรื่องของการคิดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรือว่าการคิดออกไปนอกกรรมาฐานที่เรากำหนดสัมผัสรู้สัมผัสรู้เบื้องต้นเลยเพื่อเราได้เห็นความคิดได้ไวที่สุดเร็วที่สุดนี้ ต่อมาเมื่อจิตมาเริ่มนิ่งๆในลรื่ณะของความรู้สึกตัวมันชัดขึ้นแล้วก็มารู้ละเอียดลงมันจะไปรู้อาการที่เรียกว่าลมหายใจหรือว่าลมมากระทบเรือ่องความคิดตัวนี้นะตัวความคิดที่เรารู้เท่ารู้ทันแล้วรู้เท่ารู้ทันอีกจนกระทั่งมันเป็นปรากฏการณ์เป็นเรื่องของสมมติฐานที่มันเป็นเหตุที่ทําให้เราเหมือนกับว่าเกิดสมมติบัญญัติขึ้นมาเป็นสุขเป็นทุกข์ในความคิดตัวนี้ เราก็กลับมาสัมผัสรู้ความรู้สึกตัวต่อเนื่องเชื่อมโยงจนกระทั่งเหมือนกับว่าเราได้เห็นความเป็นปกติชัดขึ้นชัดขึ้นปรากฏขึ้นมาทุกครั้งที่มันนิ่งนิ่งมันมีอาการที่แสดงออกสมมติฐานการคิดอ่ะนะมันปรากฏขึ้นมาแสดงออกกระเพื่อ ม, มกระเพื่มหรือว่าเวลากระทบอารมณ์ต่างๆเวลาสัมผัสกระทบทางตาหูจมูกกายใจนั เป็นอาการที่มันแยกแยะ ก, กันอยู่ในในตัวชีวิตของเราตัวกายตัวใจตัวรูปะกันหรือว่าตัวนามที่มันปรุงแต่งเป็นสังขารละขันเป็นการปรงุงแล้วก็ความคิดที่มันเกิดขึ้นมาแต่ละความคิดก็คือสมมติทั้งหมดมันจะไปตีค่าทันทีเป็นความพอใจไม่พอใจไอ้ตัวความคิดพวกนี้เรียกว่าจริตนิสัยคิดจนเป็นจริตนิสัยเป็นโมหาจริตตัสาจริตโลภะจริต หรือว่าวิตกจริตหรือว่าพุท ธ, ธจริตต่างๆแต่ถ้ามันคิดอาการต่างๆเป็นภาษาที่มันสวมเข้ามาจากการได้ยินได้ฟังหรือว่าจากการอ่านตำรับตําราต่างๆบางที ม, มีความคิดซ้อนๆขึ้นมาเทียบเคียงอาการเหล่านี้เรียกว่าอาการวิตกวิจารณ์คือเข้าไปสังเกตตามดูตา ม, ตามรู้แล้วก็เห็นอาการต่างๆแต่มันจะมีภาษาออกขึ้นมาเทียบเคียงด้วย อาการเหล่นั้นคืออาการของวิตกวิจารณ์นะพอเราปล่อยจริงๆนะมันก็เป็นอาการที่มันสัมผัสสัมผัสสัมผัสหรือว่าเรากลับมาหาฐานก็ไดนะ้ฐานของกรรมฐานนะมันก็จะหลุดออกมาทันทีแต่ว่าเป็นอารมณ์สมถะหรือว่าวิปัสนากรรมฐานมันอยู่ในอารมณ์ที่มันยังประคองอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอารมณ์วิปัสโนยเหมือนกันประคองความเป็นกลางหรือว่าประคองความรู้ติดรู้ตรงนี้นะ มันก็คืออารามณ์อิปัสสนะเนี่ยเราจะค่อยๆเห็นไปจนกระทั่งเหมือนก็มีความรู้สึกว่าเวลาครูบาอาจารย์ท่านเทศอย่างเช่นเมื่อวานเราฟังหลวงพ่อท่านเทศเวลาท่านสอนเนี่ยท่านเทศถึงว่าเวลาติดอารมณ์เราเข้าใจเลยว่าเวลาติดอารมณ์มันเป็นยังไงเวลาล็อกหมายถึงว่ามันล็อกเวลาเคลื่อนเคลื่อนเคลนเคือแล้วจิตมันไม่คลายนะมันก็ทําถูกอยู่แต่ว่ามันไหลเป็นสมาธิแล้วก็ติดอยู่ตําแหน่งที่มันล็อก มันก็จะค้างอะไรมันมีอยู่เช่นจิกตกวางไง น, นะเจียวรำรู้ซ้ำๆๆๆนิ่งๆแล้วก็มันไม่แยกความรู้สึกตัวไม่แยกรู้ตื่นมันจะเข้าไปเป็นสมาธิสมาธิมากกว่ามันจะไปล็อกเลยทันทีได้เห็นแม่าการเหล่านี้ยเวลาหลวงพ่อท่านเทศน์โดยไม่ต้องคานึงคานวณหรือคาดกันเอว่าปรากฏกับเราเหมือนกันเวลาเราปฏิบัติมันจะมีล่องที่มันล็อกค้าง มันอยู่ที่ว่าเราเราสามารถที่จะปรับคืนออกมาหรือว่ามันสามารถที่จะแสดงออกลักษณะของกดไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันดับไปเมื่อไหร่มันก็คลายมานั้นเรียกว่าพ้นกรรมทํากรรมฐานก็มีกรรมอยู่เหมือนกันแต่เมื่อไหร่ทารู้ล้ารู้ถูวงก็เป็นกรรมที่ไปสู่ธรรมชาติเราสังเกตได้แม้การเหล่าเนี้ยผมเริ่มมาเคยมีประสบการณ์กับ น, นักปฏิ บ, บัอยู่คนหนึ่งลักษณะเดียวกับที่หลวงพ่อเขียนท่านเจอเลยคนนี้เป็นพยาบาลแล้วก็ตั้งใจแกยวรมเข้มน แล้วก็มาแล้ไม่เข้าหาครูบาจารย์เชื่อมันในตัวเองก็เก็บอารมณ์อยู่เสร็จรยยแล้วประกอบไปนอนฟุบอยู่หน้าห้องน้นําำหลอนคว่ำอยู่ไปเข้าห้องน้ําแต่ว่าไปเข้าห้องน้ําไม่ได้กับนอนอยู่หน้าห้องน้ําอะเสร็จรแล้วนักปฏิบัติก็ตกใจนะไปเจอคนนอนนิ่งไปบอกเพื่อนด้วยกันเพื่อนก็มาเขย่าตัวปลุกท่านอะไรก็ไม่ยอมลุกนอนนิ่งอย่างนั้นนะมันล็อกเสร็จรแล้ว ไปหาพระพระก็เลยบอกให้ช่วยกันอุ้มนะนะไม่มาบอกกับอาตมานะแต่ไปบอกกับพระอีกรวมนึงเป็นพระใหม่แต่านก็ให้พากันอุ้มไปส่งโรงพยาบาลแก้งคอก็ไปนอนล็อกอยู่แค่ในห้องโรงพยาบาลน่นะตาเมอร้อยนะไปอยู่ในห้องเที่ยวอ๋อส์เซอร์ห้องสังเกตนะ่ะหมอก็บอกว่าให้นอนอยู่ที่นี่นะจนกว่านะจะรู้อาการหมอก็ไม่รู้อาการเกันะว่าคืออาการอะไร การนี้ผมเลือก ม, มาวันนั้นปิดคอร์สพอดีหลังจากปิดคอร์สแล้วตอนสักประมาณเพลนก็ลงไปหาพอลงไปหาเพื่อที่จะแก้อารมณ์ปฏิบัติเป็นลูกศิษย์เนี่ยถ้าเราไม่ไปแก้อารมณ์ก็ถ้าครูบาอาจารย์รู้ไม่จริงแล้วก็ไม่รับผิดชอบก็ถือว่ามันเสีย ห, หายได้ก็เลยให้ตำรวจคนหนึ่งนะพาลงไปเพราะว่าเกรงว่าจะเป็นคดีแล้วก็ทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงได้ ของวัดป่าเวลาสอนปฏิบัติแล้วก็นักปฏิบัติติดอารมณ์แล้วก็ทําให้เกิดคําเล่าลือกันแตกต่างกันไปอย่างนั้นแล้วก็มีความรามับผิดชอบได้เห็นว่าเราสามารถที่จะบอกได้สอนได้แก้อารมณ์ให้ได้แล้วก็เอาพยาบาลที่เป็นเพื่อนนะลงไปอีกคนนึ่งนะมีตํารวจอีกคนนึงเผื่อเป็นค ด, ดีแล้วก็เอานักปฏิบัติที่เป็นเพื่อนอีกคนเพราะว่าจะรู้เห็นอาการต่างๆตั้งแต่ต้ตนตั้งแต่อยู่โรงพยาบาลมาปฏิบัติ ล้ปฏิบัติแล้วก็นอนอย่างเงี้ยสารรูปสภาพอย่างเงี้ยจนกระทั่งไปโรงพยาบาลเก่าเข้าไปอีกคนหนึ่งหลังจากที่ไปถึงหมอก็บอกว่าห้ามคนเข้าไปเยี่ยมนะเพราะว่าคนไข้คนนี้พยาบาลคนนี้สั่งอาไว้ห้ามคนเยี่ยมเด็ดขาดนะเพราะว่ากลัวรู้ว่าตัวเองเป็นโรคจิตโรคประสาทไม่เคยมีใครรู้มาก่อนคนนี้เป็นโรคจิตโรคประสาทเพราะว่าเป็นพยาบาลที่ดีมากนะ ทำงานอยู่ในห้องอผ่าตัดเสร็จแล้วนียอยู่บ้านเนี่ยเก็บกดเพราะว่าแม่ผัวอารมณ์ร้ายแล้วก็ด่าทุกวันตัวเองเนีเป็นพยาบาลที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสเรียบร้อยอยากาไม้หน้าสามไปตีหน้าแม่ผัวให้ตายคามาื่อนะอยู่แบบนี้หละเก็บกดแล้วก็ทำงานก็เก็บกฎมีแต่ภู้ังคับใจแล้วก็หมออารมณ์รุนแรงตัวเองก็เป็นคนที่เรียบร้อยมาตลอดพอมาปฏิบัติก็ชอบการปฏิบัติ เสร็จแล้วลมพวกนั้นตีขึ้นมาไม่อยากให้ใครไปเยี่ยมครั้นี้พาไปเยี่ยมหมอก็ไม่ยอมให้เยี่ยมก็เลยบอกว่าอาตมาเป็นอาจารย์ของเขาแล้วก็จะขอรับผิดชอบนิดหนึง่งเรื่องนี้หมอไม่ต้องรับผิดชอบอะไรอาตมาจะใช้ปัญญาก็เลยเข้าไปเยี่ยมเขาหมอก็ไม่อยากให้ไปแต่อาตมาจะไปมันก็เดินเข้าไปแล้วเสร็จแล้วเดินเข้าไปก็แวกม่านเข้าไปก็เอามา่านล้อมไว้เลยนะคนคนนี้ พอไม่อยากเจอใครอยากนอนอยู่แค่นนัะ้เก็บตัวอยู่คนเดียวอาตมาเข้าไปพ้ามาก็บอกว่าเออคุณมองคุณหมองนี่อาตมามาเยี่ยมนะพระอาจารย์มาเยี่ยมก็ใส่หัวเลยนะไม่ให้เข้าเยี่ยมไม่พูดนะพูดไม่ได้ใส่หัวไม่เข้าเยี่ยมอาตมาก็บอกว่าเออทาบจากหมอแล้วล่ะ ว, ว่านไม่สบายปวดท้องหายแล้วเลย <c oughs> ก็คือเปลี่ยนโรคให้ล้วแทนที่จะบอกเป็นโรคจิตลประสาทมาก็บอกว่า ปวดท้องอะหายแล้วไหมก็บอกว่าหายแล้วไม่ได้ปวดนะก็เผลอพูดเราไปเออนี่มาเยี่ยมนะทานข้าวหรือยังเห็นไหมจ้าไม่ได้ทานข้าวก็เป็นห่วงอยู่ก็เลยมาเยี่ยมเนะี่ยเอาข้าวมาปากด้วยนะก็ใส่หัวนะไม่ไม่กินนะเออดีแล้ว นี่เห็นว่าตั้งใจปฏิบัตินะกรรมาฐานอยู่ที่นี่ก็คงจะเจริญสติอยู่ใช่ไหมโอ้ดีแล้วนะคนมีสติคนมีธรรมะนะอยู่ที่ไหนก็เป็นการปฏิบัติธรรมะนะะพูดอย่างนี้เขาก็รู้สึกก็ดีขึ้นมานะคล้ายๆเป็นการยกย่องชื่นชมเขาโดยเหมือนกับว่าพระรุ่มนี้ไม่รู้ว่าเขาเปโลกจิตประสาทอยู่นะก็คุยสักพักหนึ่งก็บอกอยู่ที่นี่ก็รู้สึกตัวอยู่ใช่ไหมนะตอนนี้ใส่หัวอยู่เนะี่ยใส่หัวยก็รู้สึกตัวอยู่ใช่ไหม กระพริบตาก็รู้สึกตัวอยู่ใช่ไหมค่อยๆคุยครับเขาทายสุดก็ก็บอกอาการยรงฉินอาการยรงฉินแล้วเขาเรียกชื่อนะอาจารย์รงศินอนอ่นี่เรียกอาจารย์นี่หมายถึงว่าเออคุยกันกับอาจารย์แล้วก็สบายใจใช่ไหมก็ค่อยยักหน้าว่าก็มีความรู้สึกสบายใจอย่างนี้นะ อ่าถ้างั้นอาจารย์ก็จะไปแล้วนะถ้าสบายใจนอนอยู่ที่นี่ก็ได้นะหรือจะกลับวัดด้วยกันไหมก็ใส่หัวไม่กลับถ้างั้นเนีย่ยวันเนี้เพื่อนกลับเอาเสื้อผ้ามาให้เอาไหมเนี่ยเดี๋ยวกลับเอาเสื้อผ้ามาให้ก็ก็ไม่ต้องอ่าถ้างั้นก็นอนอยู่นี่แหละเดี๋ยวอางนี้ก็แล้วกันจะบอกรถนโรงพยาบาลมารับนะจะให้คนที่รักที่สุดมารับใครละที่ไว้ใจอะก็ก็บอกว่าไม่ต้องแล้วเดี๋ยวขอเข้าพบผู้บัญชาการกันแล้วกันโรงพยาบาลแกล้งค้อมีผู้บัญชาการเนี่ย จะขอเข้าพบกับภูมิในการเออเออก็ได้นก็เลยเดินออกมาพอเดินออกมาแป๊บก็ก็เดินตามหลังแล้วก็หายแวบไปเลยก็ไปขังตัวอยู่ในห้องน้ำํำเสร็จแล้วก็บอกก็ว่าคุณหม่องนะตอนนี้คุณมองอยู่ในห้องน้ําเนี่ยห้องน้ำโรงพยาบาล น, นี้ก็มีแค่สองห้องเท่านั้นนะอาจจมาอยู่ห้องเนึ่งห้องผู้ชายที่โยมอยู่ในห้องผู้หญิงนะนะออกมาเถอนะะตอนนี้รู้สึกตัวอยู่ใช่ไหมฆาตกรออกมาเลยอาจารย์ลุงศิลปะ ไปตามรายการเฉียดมานะรายการเฉียดเนะี่ยเราก็เลยนึกว่าเออเขาคงจะทำร้ายตัวเองหรือเปล่านะในห้องน้ำมันมีอะไรบั่งเราก็มองนะมีก๊อกน้ําจะผูกคอตายได้ไหมหรือว่ามีถังน้ําใหญ่ขยหัวจุ่มในน้ําหายใจไม่ออกได้ไหมอะไรเราก็ดูก็จะทําอะไรที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงฆ่าตัวตายได้ในห้องน้ํานะี่ยเราก็ชวนก็คุยนะรู้สึกตัวอยู่ใช่ไหมเนะทําอะไรก็รู้สึกตัวอยู่ใช่ไหมนะตะโกนบอกไปเรียกความรู้สึกตัว ก็เขาบอกว่าอาจารย์ทรงศิลป์ไปทําผ้าขายถ้าไปก็บอกแคนะ่นั้นไปทําผ้าเครื่องขายต่อไปเราก็มองโอ้เขาก็ย้อนเรานะเสร็จเราก็พูดถึงเรื่องความรู้สึกตัวจระเต้ตีต่อไปนะพยายามปลุกสติเขให้เขามีสติให้ได้ไท้ยสุดเขาก็เงียบไปประมาณสี่ห้านาทีเราก็นึกว่าเออคนถ้าไม่หายใจสีห้านาทีคงตายแล้วเราเลยให้ตํารวจพวนปีนขึ้นไป ปีนขึ้นไปดูเขาก็รูดตัวลงมาเสร็จแล้วก็บอกพระนนนเนี่ยคนคนนี้กำลังนั่งอยู่ที่ชักโครกแล้วก็ยกมือ14บสี่ชั่งวะอยู่ก็คือกําลังนั่งเจริญสติอยู่ในในส้วมไอ้ที่เงียบไปสนะี่นาห้านาทีคือก็ออกมาจากความคิดแล้วนั่งเจริญสติอยู่พอเรารู้อย่างนี้ปั๊บ mm hmm. เราก็เออเออรอดละรอดละคนคน น, นี้รอดแล้ะก็ได้สติ เสร็จแล้วเราค่อยๆ อ, ออกมาแล้วก็บอกคนมองตอนนี้ไม่มีใคระปลอดภัยมีเราอยู่กันสองคนแล้วก็ภูมิในการกําลังมาออกมาได้ไหมสันะกพักหนึ่งภูมิในการออกมาก็บอกว่าออกมาคุยกับภูมิในการนะอาตมาไม่รู้เรื่องด้วยแล้วนะถ้ามีสติก็เดินออกมาแล้วก็คุยกับภูมิในการกันแล้วกันก็เตรียมรถะจะไปส่งที่โรงพยาบาลใจภูมิที่ทํางานเสร็จแล้วอาตมาก็กลับมาที่วัดแล้วก็โทรเช็คปรากฏว่าเขาก็ สติฟื้นคืนขึ้นมาแล้วก็กลับไปที่โรงพยาบาลอย่างนี้นก็คือถ้าจะแก้อารมณ์เนี่ยบางทีจะใช้คําพูดก็ใช้ไม่ได้บางทีมันก็ใช้เวลานานๆมากเลยมันจะค่อยๆคลายออกจากอารมณ์มาเองอย่างนี้นะบางทีก็ต้องอาศัยวัตถุถึงสองสามบุคคลถึงสองสาเป็นตัวแก้คนที่เข้าไว้ใจที่สุดเพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมเนี่ยมามองเดีย๋ยวน้ำมันก็อันตรายอยู่เหมือนกันจะเรานนคนที่ขาดกัลายาณมิตรนะ แล้วก็ขาดการสังเกตขาดปัญญานะีตัวนี้อันตรายจริงๆแล้วก็จึงคล้ยๆก็ว่าไม่ประมาทในะชุมชนเนี่ยนะถึงหลวงพ่อครูอาจารย์ท่านจะปล่อยให้เราปฏิบัติแต่ท่านก็สังเกตอยู่แล้วท้ายสุดเมื่อเราตีตลบจริงๆท่านก็คงจะเข้าช่วยเราเพราะฉะนั้นจึงให้มีความมั่นใจในสถาบันสะสติปัฏฐานวัดป่าสุขตเราไม่ได้ปล่อยที่ปล่อยว่างกันจริงๆด้วยบางทีมีการบอกกันถึงเรื่องว่าให้อยู่หนึ่งเดือนไม่ให้อยู่เกินหนึ่งเดือนอะไรพวกนี้ เดี๋ยวส่ก็จะปรึกษากันเอ๊ะเรามีระบบระเบียบหรือว่ากฎกติกาแบบนี้เกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ในวัดอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเบบอปลาที่ท่านเป็นพระผู้ใหญ่เป็นฝ่ายบริหารเนี่ยจะลองพูดคุยกันดูอย่างเช่นที่นั่งอยู่นี่สองสามสี่คนเนะี่ยที่มีคําพูดว่าโดนไล่ออกจากวัดเนีอันนี้เราจะปรึกษาอีกทีหนึ่งว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าจะต้องอยู่หนึ่งเดือนเพื่อมีการประชุมรับกันในนโม่ผู้บริหารแล้วก็ เดี๋ยใจะกระจายอันเนี้ให้รับทราบกันโดยการเอาไปติดทุกๆ ท, กที่ว่าเอออยู่ที่นี่นะอยู่ไม่เกินหนึ่งเดือนคนที่มาจะได้รับรู้รับทราบกันว่าอยู่ที่นี่ไม่เกินหนึ่งเดือนจะไม่ต้องร้องไห้กลับไปจะได้เป็นทางการเหมือนกับว่าขนของขึ้นรถกันโดยที่เจ้าตัวไม่อยากออกไปจากวัดเนี่ยมันจะเป็นบาปเป็นกรรมกันที่หลังเนนียจะพูดคุยกันทีหลายทีเพราะนั้นพูดที่ตั้งใจบัด ร, รับรองได้ว่าอยู่ได้แน่นอนะแต่ขอว่าอยู่แล้วอย่าสร้างความวุ่นวายกันเลวกัน เช่นไม่ไปฏิบัติแล้วไปพูดคุยกันหรือว่าปฏิบัติไปคุยไปแล้วเนะี่มันเสียบรรยากาศหมดต้องทําความรู้ให้ชัดว่านะเวลาปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติอย่างไรก็แสดงว่าต้องเข้าหากูบาจารย์ถ้าจะพูดคุยในะสนทนาธรรมนะนะเข้าหากูบาจารย์เลยพระนะวัดนี่ต้องใช้พระเนะี่ยถ้าเมาาื่อไหร่เราอุปหรอว่านะโยอมคนเนี้ยนะไว้ใจได้นะกูบาจารย์หลวงพ่อคำเขียนท่านบอกผ่านพระสงฆ์มา รูปเป็นขั้นเป็นตอนเป็ขั้นเป็นตอนก็ให้ยมนะสอนกันเลยสอนกันเองเลยถ้ายมสอนยมผู้หญิงสอนผู้หญิงนะเนี่ยไปหาคนนี้นะคนนี้นะก็เชื่อว่าจะได้ประโยชน์สูงสุดเพราะนั้นเราก็ใช้รูปแบบการปฏิบัติกันต่อไปแต่ว่าวัดต่าสุกตัวใช้อัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์รูปแบบจุดสีจังหวะชัดเจนแต่ถ้าจะมาสอนหรือว่าแฝงแฝงอันนี้ก็ใช้ได้อยู่แต่ว่าก็ต้องรับผิดชอบตัวเอง แลเระ่อของคําสอนด้วยนะเราก็จึงเรียกว่าใช้สนตะิปัฏฐานสนะี่รู้เนื้อรู้ตัวปเป็นในรูปแบบหรือว่านอกรูปแบบเวลาทําอะไรก็ตามเราใช้ฐานกายนะเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเป็นหลักก็เชื่อว่าเราจะเดินทางเดียวกันและท้ายสุดเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านพ้นไปด้วยดีคือความรู้สึกตัวอย่างต้นอย่างหยาบหรือว่าระดับกลางหรือว่าระดับละเอียดมันปรากฏครบ ตอนนั้นเราถึงจะได้ข้อสรุปชัดเจนะว่าสติปัฏฐานหรือว่าวิปัสสนาเนี่ยมันคืออะไรการรู้ลรู้สื่อซื่อรู้เฉยเฉยรู้เป็นปัจจุบันรู้แล้วรู้ถูกมันคืออะไรเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นอวันนี้ก็พูดถึง45นาทีนะพอดีวความคิดตอนหลังมันไหลมาเกี่ยวกับเรื่องของการอยู่วัดอยู่ว่ากะพูดไปก็คิดว่ามันจะได้ประโยชน์อนะนะ เห็นว่านานไปยังนั้นเกิดต้องขอไปนาทีนี้ด้วยเห็นว่าสมควรแก่เวลาก็ยุติการพูดเพียงเท่านี้กล่บภาพร้อมกัน